ลแผ่นดินเป็นของลูกหลาน เคยมีสุขหลน้นต้องมาจนทางที่เคยร่ำรวยไทยเป็นหนี้เงินตราของคำดอนล่าบอนเมตตาไทยช่วยไทยแม้จะไม่รวยเราช่วยเขาช่วยจนรวยมีสิทธิ์หลวงตามาหาบัวมาแล้วนำทำแพรวพร้อมแก้วสามประการเมตตาพาโลกสงสาร นสร้างทานกอบผู้ไทยทุ่มเทสติปัญญาชาตุขันโรยราไม่นำพาใจใส่ยอมแม่ตัวจะตายขอบหลีร่างกายเมื่อยามชาไทยมีศึงเพื่อทำดำรงคงไว้ทำนำไทยชายส่องก้องโลกา บรรจบครบปีหลวงตาให้มีพิธีแถลงตัวตามกำหนดเวลาติบสองเมษาเชิญชาวไทยทวนภู ดินเป็นของลูกหลานไทยมานาหลายชัวยย่วอายุคนชาติไทยเคยมีสุขหล้อนต้องมาจนทั้งที่เคยร่ำรวยไทยเป็นหนี้เงินตราทองคำดอนล่าวอนเมตตาไทยช่วยไทยแม้จะไม่รวยเราช่วยเขาช่วยจนรวยมีสิทธหลวงตามหาบัวมา ตามประการเมตตาพาโลกสงสารและนิพนธ์สร้างทานกอบผู้ไทยพุ่มเทสติปัญญาธาตุขันโรยราไม่นำพาใจ ใ, ใสยอมแม้ตัวจะตายขอปรีร่างกายเมื่อยามชาไทยมีสึกเธอทำดำรงคงว่า ศาสนานมบูชาหลวงตามหาบัวโครงการบรรจบครบปีหลวงตาให้มีพิธีแถลงผูตามกำหนดเวลา12เมษายนเชิญชาวไทยทวนผู